เป็นยังไงบ้านอยู่ที่ไหนพันทองอไม่ต้องทำงานเนี<ำ>่ยอืมก็สามารถเลือกเวลา<อ>ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อ่ออยากจะได้อะไรมันเกิด อยากได้วันไม่เกิดอันนี้วันเกิดแต่ไม่ได้อยากจะได้ไม่มีวันเกิดอะวันเกิดไม่น่าจะฉลองเลยวันเกิดเป็นวันทุกข์มันฉลองอะไรกันฉลองความทุกข์กันนะอ่าเนี่แหละธรรมะก็คือเกิดแล้วมันทุกข์อ่าพอันเกิดก็คือขออย่าให้ได้มีวันเกิดอีกเลย จะได้ไม่ตายไม่ใช่อะไรหรอกถ้าเกิดแล้วมันตายก็ได้อหมถ้ามันไม่เกิดมันก็จะไม่ตายอไปเกิดทําไมใช่ไหมแล้วไ่เลี้ยงฉลองวันเกิดกันทำไมวันเกิดน่าจะเป็นวันเศร้าวันตายน่าจะเป็นวันดีใจตายแล้วก็หมดทุกข์กันพอตายแล้วทุกข์มันก็หมดใช่ไหม ทุกมันก็อยู่ที่เกิดแก่เจ็บพอตายทุกมันก็หมดนเอกับเสียใจกันหมดทุก เ, เสียดายไม่มีความทุกข์อีกแล้วต้องต้องกลับมาเกิดอีกจะได้ทุกข์ใหม่เนี่ยเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์ถึงอยากจะเกิดกันอืม ไรู้ว่าเกิดแล้วมาต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่เกิดแล้วก็จะได้ไม่ทุกข์จะไม่เกิดก็ต้องตายก่อนอตายแล้วทีนี้ก็ไม่เกิดนะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ถ้าไม่เกิดกันนะงั้นเรามาหยุดการเกิดกันดีกว่า ได้อะไรดีก็ไม่เท่ากับการไม่เกิดเพราะถ้าได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากกันอืเวลาเรามาเราไม่เราไม่มีอะไรติดตัวมาเลยใช่ไห ม, ไมตอนที่เรามาเกิดเนี่ยแต่ร่างกายนี้ก็เราก็ไม่ได้เอามากับเรา เ, นะเราเคยเอาร่างกายเก่าเรามาเกิดเนะี่ยร่างกายเก่ามันเขาเผากายเป็นขี้เถ้ากันหมดแนละ เวลาเรามาเราก็ไม่มีอะไรมาเลยมาก็มารับของของขวัญจากพ่อแม่ของขวัญวันเกิดก็คือการเกิดของขวัญชิ้นแรกที่เราได้รับคือจากพ่อแม่เราพ่อแม่เราให้ร่างกายเราแล้วพอเรามีร่างกายแล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้หาอะไรต่างๆหาเงินทอง หาตำแหน่งหารางวัลหาอะไรต่างๆที่เราอยากได้กันหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วต่อให้เราหาได้มากน้อยเพียงไงเดี๋ยวก็ต้องจากกันใช่ไหมแล้วถ้ายังไม่จากกันเวลาแก่ก็ลำบากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ เวลาตายก็ก็ทุกกันเวลาตายก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยของขวัญที่พ่อแม่ให้มาก็ก็ต้องยกให้วัดไปไปจองไปจองศาลาจองเมนกันหรื อ, อยังไนีนชอบจองตั๋วไปเที่ยวกันนะทํามไม่ไปจองเมนกังไม่มั่ง ่็คิวยาวแล้วต่อไปอาจจะไม่ได้เผาในเมนก็ได้เกิดมีสงครามมีอะไรนี่คนตายทีเยอะๆนี่เมนไม่พอเผาถ้าไม่จองไว้ดูง้าก่อนเรื่องที่เราไม่ชอบคิดเราต้องหัดคิดกันนะ คิดแล้วมันจะได้เกิดปัญญาพอเราโง่กันก็เพราะเราไม่ยอมคิดเรื่องที่จะทำให้เราฉลาดเราชอบไปคิดเรื่องที่ทำให้เราโง่กันเราก็เลยโง่เราก็เลยทุกข์กันความทุกข์นี้เกิดจากความโง่ของเราความฉลาดนี้จะทำให้เราไม่ทุกข์กัน พระพุทธเจ้าก้าพลาหา น, นี้ท่านไม่ทุกกับความแก่กับความเจ็บกับความตายท่านไม่ทุกกับการทัดพระจากกันเพราะท่านรู้ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของพวกเราความอยากของใจอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมีใครอยากแก่ไหมไม่มีใช่ไหม มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีมีการอยากตายไม่มีมีแต่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพวกหมอสัญญกรรมหมอตกแต่งทั้งหลายร้านเสริมสวยทั้งหลายจึงมีอาชีพรักษาความแก่พอแก่ก็เข้าร้านเสริมสวยกันเขาทำสัญยกรรมกัน เพื่อรักษาความแก่รักษาได้ก็ไม่ไม่นานเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก็แก่ลงไปเพราะเราฝืนธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติของร่างกายร่างกายนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นตัวเราตัวเขาตัวคนนั้นตัวันนี้ร่างกายเป็นเหมือนต้นไม้นะ ต่นไม้นี่เราเรียกมันเป็นคนรัเป่่ารือเป็นธรรมชาติมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติต้นไม้มันก็มีการเอาอาหารเข้าไปในต้นไม้คือน้ำดินเนี่ยน้ำดินแล้วก็ลมกับไฟมาผสมกัน ไมให้ต้นไม้จเจรินเติบโตขึ้นมาได้ถ้าขาดทั้งธาตุใดธาตุหนึ่งนต้นไม้ตายถ้าขาดธาตุน้ำดูที่ทะเลทรายมีต้นไม้ไหมมีแต่ดินมีแต่ลมมีแต่ไฟความร้อนในทะเลทรายลมพัดในทะเลทรายแต่ไม่มีน้ำ ต้นไม้ก็เลยโตขึ้นมาไม่ได้หรือถ้าไม่มีไฟไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยมีแต่ความหนาวความร้อนหายไปตอนนั้นก็ถือว่าธาตุไฟไม่มีมีก็น้อยไม่พอที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้คือต้นไม้โตขึ้นมาได้ ในทะเลก็ไม่มีธาตุดินเนยเข้าใจไมีแต่ธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟในทะเลก็ไม่มีต้นไม้ต้องมีเกาะกลางทะเลนะถึงจะมีต้นไม้ขึ้นมาได้เพราะมีดินเกาะมันมีดินมีน้ำมีลมมีไฟก็เลยทําให้เกิดต้นไม้ขึ้นมาเกแล้วเดี๋ยวมันก็โตโตแล้วเดี๋ยวมันก็แก่ แกแล้วเดี๋ยวมันก็ตายมันก็แยกกลับไปแยกทางกันไปถ้าดินท่านน้ำก็แยกทางกันไปเดี๋ยวล่างต้นไม้ทิ้งไว้นานๆมันก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปร่างกายของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันก็เป็นเหมือนต้นไม้ ต่างตรงที่ร่างกายนี้มันมีเจ้าของมีผู้มารับมารับม า, มาเป็นเจ้าของคือมีอีกธาตุหนึ่งคือธาตุรู้ธาตุรู้ที่คิดได้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนี่คือธาตุรู้มารวมกับธาตุสี่ดินน้าลมไฟอนจริงไม่ได้รวมหรอกมาเกาะ มาครอบของมาเป็นเจ้าของเหมือนเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาเราไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์มือถือแต่เรามาเอามือถือนี้เอามาทำอะไรต่างๆเอามาถ่ายรูปเอามาฟังเสียงฟังเสียงจากที่ไกลได้ในโทรศัพท์มือถือถ้าเป็นสมัยโบราณคนเห็นคงจะตกใจเสียงมันมาจากไหน รูปภาพมันมาจากไหน mm hmm. เป็นของแปลกมหสกัสารสําหรับคนโบราณคนใช้กับโทรศัพท์นี่มันเป็นคนละคนละส่วนกันคนใช้ก็ใช้โทรศัพท์ไปใช้ติดต่อกับคนนั้นคนนี้ถ่ายรูปดูภาพฟังเสียงร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือของใจคือทารุณ ธารู้มารับร่างกายนี้จากพ่อแม่พ่อแม่ผลิตร่างกายนี้ขึ้นมาพอดีคนธาตุรู้นี้คือจิตใจนี้อยากจะได้ร่างกายพอเห็นมีร่างกายก็เลยไปจับจองส่งกระแสจิตไปเกาะติดอยู่กับที่ร่างกายส่งกระแสไปห้ากระแสด้วยกัน ่งไปเกาะที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่ร่างกายเพื่อจะได้รับข้อมูลต่างๆเหมือนกับที่เราไปไปจับที่โทรศัพท์มือถื อ, อเราอยากจะดูภาพของคนที่อยู่ไกลๆเราก็ดูได้เราอยากจะฟังเสียงของคนที่อยู่ไกลๆเราก็ฟังได้ อเรามีร่างกายเราก็ติดต่อกับร่างกายของคนอื่นได้ร่างกายของคนอื่นเขาก็มีตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็รับภาพของเราแล้วก็ส่งไปให้ผู้ที่มาครอบครองร่างกายคือท า, ารุ่นคือใจทารุ่นนี้เราเรียกว่าใจหรือจิตจิตใจทารุูน้นี้ก็จะรับรู้ รูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางร่างกายแล้วก็ไปจดไปจำว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเป็นกลิ่นอะไรแล้วก็ไปมีความรู้สึกกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้เห็นได้รับรู้บางทีก็ได้มีความรู้สึกที่ดีบางทีก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึก แล้วก็แล้วก็ไปสั่งให้ร่างกายนี้ไปทำอะไรถ้าไปเห็นภาพที่ไม่ดีก็ให้หลับตาเช่นเห็นแสงแสงอะไรที่มันเห็นแล้วมันเจ็บตาก็ให้หลับตาได้ยินเสียงที่มันดังก็เปิดหูคนสั่งก็คือใจผู้ธาตรูนี่ ร่างกายของเรานี่ต่างกับต้นไม้ตรงนี้ต่างกับต้นไม้ใบหญ้าต้นอะไรต่างๆตรงที่ต้นไม้เขาไม่มีเจ้าของไม่มีใครมาคอยสั่งให้ต้นไม้ทําอะไรต้นไม้ก็เลยไม่มีความรู้สึกนึกคิด เวลาใครไปทำต้นไม้ไปตัดกิ่งไม้ไปตัดใบไม้ต้นไม้ก็ไม่ร้องไห้แต่ร่างกายนี้มีคนรับรู้ความรู้สึกผ่านทางร่างกายพอมีของอะไรมาก็ทบกับร่างกายที่มันไม่ดีมันเจ็บเจ้าของคือธาตรู้ก็ร้องโวยวายขึ้นมาโอ้ยร้องโอ้ยขึ้นมา นี่คือแต่เวลาที่ร่างกายไม่มีเจ้าของเวลาร่างกายตายไปแล้วเจ้าของก็ทิ้งร่างกายไว้ตอนนั้นใครเอามีดไปทิ่งไปแทงมันก็ไม่ร้องโอยมันก็เป็นเหมือนต้นไม้เพราะตอนนั้นไม่มีเจ้าของเจ้าของไม่ไม่ได้ไม่ได้ครอบครองร่างกายเวลาคนตายเนี่ยทารู้ก็แยกไป บายบายทิ้งร่างกายไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ทำไมยังไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เพราะยังอยากใช้ร่างกายเหมือนเราเราใช้โทรศัพท์ทุกวันนี่ถ้าเกิดโทรศัพท์มันเสียเราทำไงเราก็ไปซื้อเครื่องใหม่ซื้อไม่ซื้อรับรองได้คำตอบทั้งหมดซื้อทุกคน อย่างนี้โทรศัพท์นี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเป็นปัเป็นธาตุธาตุที่หกแล้วมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุรู้แล้วตอนตอนนี้ต้องมีธาตุหก้าปัศจากโทรศัพท์เมื่อไหร่นี้รู้สึกมันจะตายให้ได้ติดต่อกับใครไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อ๋อ โทรศัพท์มือถือเสียเราก็ไปซื้อใหม่พอร่างกายเสียเราก็ไปเกิดใหม่พอเกิดแล้วมันก็ต้องมามีภาระมีอะไรต้องทําต้องเลี้ยงดูร่างกายการเลี้ยงดูร่างกายนี้มันมันสุขหรือทุกข์ต้องหาเงินทองหาข้าวของมาเลี้ยงดูร่างกายอย่างน มันสุกไหมก่อนจะได้เงินทองมาแต่ละบาทนี่ต้องไปทํามาหากินก่อนจะไปทํามาหากินตอนเด็กก็ต้องไปเรียนหนังสือไปหาวิชาความรู้เพื่อที่จะได้มีวิชาความรู้ไปทํามาหากินจะได้หาเงินทองง่ายหน่อยหาสิ่งต่างๆ ง, าง่ายหน่อยคนที่มีวิชาความรู้นี้ก็หา อะไรได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีวิชาความรู้ทำไมถึงมีเงินเดือนตั้งแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงพ mm hmm. นัก ง, งานในบริษัทเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นใช้แรงงานก็อาจจะวันละสามร้อ hmm. ยเดือนละเก้าพันแต่ถ้าเป็นประธานบริษัทนี้อาจจะเก้าแสนหรือเก้าล้านก็ได้แล้วแต่บริษัทใหญ่หรือไม่ใหญ่ คนเหมือนกันทำไมรายได้ไ ม, ไม่ไม่เหมือนกันนะเพราะเขามีความรู้คนที่มีเดือนละเก้าแสนเก้าล้านนีเขามีความรู้หางเงินให้กับบริษัทนะคนที่มีไม่มีความรู้ไม่รู้จักวิธีหางเงินให้กับบริษัทเพียงแต่รับใช้บริษัทคอยดูแลบริษัทเช่นคอยเก็บกวาดห้องน้ำทำความสะอาดฐานที่ ก็ไม่มีความรู้ถึงต้องไปโรงเรียนกันไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือเหนืนะ่อยไหยระหว่างไปเรียนหนังสือกับไปเล่นไหนดีกว่างั้นหนูถ้าให้ปิดเทอมทั้งปีเนี่ยเอาไหมไม่ต้องเรียนนะเรียนไปทําไมนใครอยากจะไปโรงเรียนมั้ไม่มีถูกบังคับให้ไปทั้งนั้น่ะ ถ้าถามความสมัครใจไม่มีใครไปแน่แนะตอนที่จะเข้าโรงเรียนลองถามลูกลูกไปโรงเรียนไหมไม่ไปอในวันแรกไปโรงเรียนนี่ร้องหม่มล้องไห้สุกหรือทุกตอนที่วันแรกไปโรงเรียนนี่ใจจะขาดนแม่ทิ้งให้อยู่โรงเรียนแม่ก็ใจจะขาดลูกก็ใจจะขาดพัดพาจากการเพียงไม่กี่ชั่วโมงนั้นก็เริ่มใจจะขาดนะ ทุกนะชีวิตนี้มีแต่ความทุกเกิดมาแล้วมันทุกต้องทำอะไรต่างๆที่เราไม่ชอบกันแต่เราต้องบังคับให้ทำกันเพราะว่ามันเป็นความทุกที่จะน้อยกว่าความทุกที่ถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่ไปเรียนหนังสือเราเล่นกันเที่ยวกันที่นี่มีคนงานเขมเยมีเด็กมีลูกอายุสี 4, 5, ่ห้าขวบไม่ได้ไปโรงเรียน เขาก็เล่นกันทั้งวันแต่ต่อไปเขาจะมีอนาคตอะไรเขาก็ต้องเป็นเหมือนพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็เกณฑ์เงินเดือนวันละสามร้อยต่อไปเขาอาจจะมากกว่าพ่อแม่เพราะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็เลื่อนเงินขั้นต่ำขึ้นไปอีกหน่อยอาจจะห้าร้อยต่อไปยุคเขาเขาอาจจะได้เงินเดือนวันละห้าร้อยสมัยก่อนปูย่ย่าตายายเขาก็ได้วันละยี่สิบบาท แต่มันก็เป็นรายได้ขั้นต่ำเพราะเขาไม่มีความรู้เขามีแต่ความสามารถทางร่างกายกวาดได้ถูได้เช็ดได้เก็บขยะได้อย่างนี้ก็าาากรายได้ก็เลยน้อยแต่หลาต้องยอมทุกขกันพ่อแม่ก็ต้องยออต้องบังคับให้ลูกไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือ เพื่อต่อไปจะได้มีความรู้แล้วเวลาไปหางานไปหาเงินจะได้หาได้มากกว่าคนที่ไม่มีความรู้คนที่ไม่มีความรู้ตอนนี้ได้วันละสามร้อยคนที่มีความรู้นี่อย่างน้อยก็วันละหกร้อยจบปริญญามาเดี๋ยวนี้ก็วันละหมื่นกว่าหมื่นกว่าสองหมืน แล้วก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆทำไปแล้วเดี๋ยวก็เดือนก็ตกเป็นแสนได้พอมีวิชาความรู้แต่กว่าจะได้วิชาความรู้นี้ก็ต้องไปเรียนอย่างน้อยก็สิบหกปีด้วยกันสิบหกปีถ้าไม่นําอนุบาลนําอนุบาลอย่างนี้อีกสองหรือสามก็สิบเก้าปี ต้องไปโรงเรียนเรียนหนังสือสิบเก้าปีถึงจะหาเงินไ ด, ได้เงินเดือนมากกว่าคนที่ไม่ไปโรงเรียนนี่ก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งนะเรื่องการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ตอนต้นก็สบายหน่อยมีคนมารับภาร ะ, ะให้มีพ่อแม่มารับภาร ะ, ะให้ไม่ต้องไปหากินเอง พอแม่หาอาหารหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคหาเครื่องนุ่มเครื่องนุ่มห่มมาให้ก็เลยไม่ต้องทุกข์กับเรื่องนี้ตอนที่เป็นเด็กพอโตขึ้นมาแล้วพอหาเงินทองได้แล้วทีนี้ก็ต้องหาหากินเองแล้วเลยแล้วก็จะหาไ ด, ได้สักแต่ละชิ้นแต่ละอันก็เหนื่อยทํา ง, งานกันทั้งวัน ตื่นแต่เช้าออกไปทำงานก่อนจะกลับมาถึงบ้านก็เย็นข้าเหน็ดเหนืน่อยเมื่อแล้วกินข้าวฟักผ่อนหลับนอนเดี๋ยวเช้าก็ต้องไปอนี่แหละคือชีวิตคือความทุกข์การเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการหาหาอะไรแต่ละอย่างก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ กว่าจะได้มาก็เหน็ดเหนื่อยได้มาแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็หมดไปหรือเอามาซื้ออะไรมาใช้อะไรปั๊บเดียวก็หมดแล้วแล้วถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ลาบากถ้าเกิดตกงานบริษัทที่ทำงานเขาปิดกิจการมไม่มีงานทำก็ต้องทุกข์กับการหางานใหม่มเวลามีงานก็ทุกข์กับ งานว่าไม่รู้จะทําได้ถึงเมื่อไหร่บรยษัย์เขาจะเปิดเมื่อไหร่บริษัทเขาจะให้เราทําไปถึงเมื่อไหร่วันดีก็นดีเขาก็บอกว่าอให้เราออกได้ดงนั้นก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลกับความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราเพึ่งอาศัยเป็นที่พึ่งอาศัย เราต้องพึ่งเงินทองต้องพึ่งปัจจัยสี่เงินทองเพื่อจะได้ไปซื้อปัจจัยสี่ต่างๆมาแต่เงินทองนี้มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนวันดีเกิดดีมันอาจจะไม่ไม่มาก็ได้วันดีเกิดดีมันอาจจะไม่มีใช้ก็ได้นี่ก็คือทุกข์ที่เกิดมาที่มีที่ไดจากการมาเกิด แล้วก็ต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายอันนี้ก็ทุกข์กองนะเกิดไม่มีอากาศให้หายใจนี่ก็ตายต้องมาคอยชําละลิ้งทำความสะอาดร่างกายใ <champagne. S 1> ต้องอาบน้ำให้มันทุกวันต้องขับถ่ายต้องอะไร <está> ห้องสุขาเนี่ยคือห้องบรรเทาทุกข์ใช่ไหม เวลาเราเข้าห้องสุ ข, ขาเนี่ยก็เราไปบันเทาทุกเพราะเวลามันปวดเนี่ยปวดปวดท้องมันต้องเข้าห้องน้ำกินก็ทุกข์ถ่ายก็ทุกข์ไม่มีกินก็ทุกข์ต้องหากินพอกินเข้าไปแล้วก็ต้องทุกข์กับเพราะเดี๋ยวมันจะออกมาอีกเนี่มีทุกข์อยู่ทุกข์แห่งทุกขนกับการที่มามีร่างกายกับการที่มาเกิด เราอยู่กับความทุกข์จนเราชินกับมันจนเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติไปมีคนที่เขาคิดเป็นเขาถึงถามว่ามีวิธีไหนไหมที่ไม่ต้องมาทุกข์แบบนี้ก็ได้คําตอบว่าก็อย่ามาเกิดสิถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เรากําลังทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ แล้วทำไงไม่ให้มาเกิด pues, <ะ>ก็เลยต้องหาสาเหตุดูว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้มาเกิดกันนานๆจะมีคนที่ค้นพบสาเหตุของการมาเกิดกัน <Their> คนที่ค้นพบสาเหตุนี้ก็คือพระพุทธเจา้าเป็นคนที่รู้ที่ไม่รู้ในสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อน <The Dam ated> และทำในสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำมาได้มาก่อน <The> <the> <Boys> รู้เฉยๆยังไม่พอรู้แล้วยังต้องต้องทำในสิ่งที่รู้ด้วยรู้ว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์แล้วรู้สาเหตุของการมาเกิดก็คือความอยากความอยากมีร่างกายไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทุกวันนี้เราหาความสุขทางไหนกันถ้าตาบอดนี่สุขตาบอดมองอะไรไม่เห็น ดูหนังก็ไม่ได้ถูหนวดก็ฟังไม่ได้เราหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายกันเพราะเรามีความอยากหาความสุขแบบนี้เราก็เลยต้องมีร่างกายมันก็เลยทำให้เรามาเกิดกันนะแล้วถ้าเราหยุดความอยากนี้นะ ถ้าหยุดความอยากนี้ได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้แล้วเราจะหยุดความอยากนี้ได้ยังไงเราก็ต้องมีความสุขแบบอื่นที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเป็นวิธีหาความสุขนะพระบูตจาก็ค้นพบวิธีหาความสุขแบบใหม่ที่จะทำให้เราไม่ต้องมาหาความสุขแบบเก่าแบบเก่าก็คือ หาความสุขด้วยร่างกายตอนนี้เรายังหาความสุขด้วยร่างกายอยู่เราใช้ตาไปดูดูแลเราก็มีความสุขดูสิ่งที่เราอยากดูกันฟังสิ่งที่เราอยากฟังกันลิ้มรสนมกลิ่นในสิ่งที่เราอยากลิ้มรสนมกลิ่นสัมผัสกับสิ่งต่า ง, างๆทางร่างกายสัมผัสความนุ่มความความ อบอุ่นอะไรต่างๆเป็นความรู้สึกที่เราชอบกันชอบของนุ่มๆไม่ชอบของแข็งชอบของอุ่นไม่ชอบของเย็นไม่ชอบของร้อนนี่ก็เป็นวิธีหาความสุขที่เราหากันเราจึงต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะมีร่างกายเราก็ต้องหยุดวิธีหาความสุขแบบนี้ เราจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเรามีมีความสุขแบบใหม่เหมือนตอนนี้เราใช้มือถือโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่านะถ้าเราอยากจะเลิกใช้เครื่องเก่าเราต้องทำยังไงเราก็ไปซื้อเครื่องใหมนะ่พอได้เครื่องใหม่มานี่เราไม่อยากจะเก็บเครื่องเก่าไวนะ้แล้วเกะ ก, กะยกให้คนอื่นไปอันใดถ้าเราอยากจะมีความสุข โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ต้องหาหาความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ไม่ใช่ร่างกายก็คือความสุขที่ใจใช้ใจเป็นเครื่องมือหาความสุขโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านร่างกายตอนนี้ใจของพวกเราอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกัน ถึงทาให้เราต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าร่างกายเรามันมันไม่ถาวรมันอยู่ได้ไม่กี่ปีเดียวมันก็ตายเหมือนโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันเนี่ยมันใช้ไปได้ไม่กี่ปีมันก็พังพังเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้าเรายังอยากจะใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ ถ้าเราเลิกใช้โทรศัพท์มือถือได้ถ้าเราไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเวลาเครื่องเก่าพังไป bounty, เราก็ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ก็ได้ถ้าสมมติว่าถ้าเราหูหนวกตาบอดไปเราจะใช้มือถือไหมใช้โทรศัพท์มือถือไหมใช้ไม่ได้นละยใช่ไหมมองไม่เห็นตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินแล้วโทรศัพท์มือถือมันมีประโยชน์อะไรหร่าใช้มันไม่ได้เลย ถ้าเรายังต้องใช้ร่างใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ถ้าเรายังอยากจะดูรูปเราก็ต้องมีตาเราอยากจะฟังเสียงเราก็ต้องมีหูแต่ถ้าเราเลิกดูรูปได้เ ล, apples, เลิกฟังเสียงได้เลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายตายไปเราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ นี่เราจะเลิกใช้ได้ยังไงเราก็ต้องมีความสุขแบบใหม่เพราะเราทุกคนต้องการความสุขกันไม่ใช่เหรออยู่เฉยๆนี่มันก็ไม่ทุกมันก็ยังมันก็ยังหมุดหยิดนำคาญใจ อ, อยู่เฉยๆเดี๋ยวก็รู้สึกเศร้าเหงาว้าเวต้องหาอะไรดูหาอะไรฟังสิ่งหนักที่ทำเวลาเหงาทําไรเปิดมือถือึ้นมาใช่ไหม เช็คดูว่าใครส่งข่าวมาหรือเปล่าใครกําลังทําอะไรกันอยู่แก้งเหงากันอ๋อคนนี้กําลังไปเที่ยวตรงนะั้นคนนี้กําลังทําแม่นู่นทาแม่นี่ก็เลยแก้งเหงาได้อันนี้เป็นความสุขที่เราต้องมีร่างกายแล้วก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ โทรศัพท์มือถือนี่ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำให้เราหาความสุขกันเวลาอยู่คนเดียวเหงาโทรหาเพื่อนคุยกับเพื่อนก็แก้งเหงาได้หรือ ด, ดูภาพยนตร์ดูข่าวข่าวดูอะไรในโทรศัพท์มือถือได้เราก็เลยต้องมีมือถือต้องมีร่างกายกัน แล้วก็ต้องมาทุก์กับมือถือทุก์กับร่างกายพอเหนื่อร่างกายทุกเพราะเราต้องเลี้ยงดูร่างกายหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูร่างกายมือถือเราก็ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าอะไรต่างๆมันก็เป็นความทุกข์มันไม่ใช่ของฟรีๆต้องหาเงินมาใช้จ่ายกัน แล้วเวลาเกิดมันเสียมันหายไปก็ต้องไปหาใหม่กันไปซื้อใหม่ร่างกายตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็มาทุกข์ใหม่มาแต่ละเติบโตใหม่มาหัดเดินหัดคลานกันใหม่หัดกินหัดดื่มกันหัดพูดหัดอะไรกันใหม่ๆ ไปหัดเรียนหนังสือกันหัดทาอะไรกันเรายังมีความอยากใช้ร่างกายอยู่เราก็ต้องต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยเพราะเราที่ใช้ร่างกายคือผู้รู้นี่มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วความอยากที่จะมีร่างกายมันก็ไม่หมดมันก็อยู่กับผู้รู้ความอยากนี่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย อยู่ที่ใจอยู่ที่ผู้รู้อตอนต้นพระพุทธเจ้าก็คิดว่าความอยากอยู่ที่ร่างกายอยากกินข้าวอยากก็เลยไม่ให้มันกินไม่อดมันอดไปจนกระทั่งจะตายมันก็ยังอยากอยู่ก็เลยรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจต้องมาหยุดความอยากที่ใจจะหยุดความอยากที่ใจได้ก็ต้องมีอย่างอื่นมาทดแทน ความสุขทางร่างกายท่านก็เลยใช้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธินี่เราต้องใช้ร่างกายหาความสุขไปเรื่อยๆถ้าเรานั่งสมาธิเป็นทําใจให้สงบเป็นเราก็ไปอยู่เป็นแม่ชีเป็นพระได้แม่ชีกับพวกพระนี่เขาไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขเล เขาไม่ไปดูหนังฟังเพลงเขาไม่ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปอะไรเหมือนกับพวกเราเขานั่งเฉยๆนั่งทําใจให้สงบหรือถ้าเขาไม่นั่งเฉยๆเขาก็สู้กับความอยากเวลาอยากไปไหนเขาก็หยุดมันพอหยุดความอยากได้เขาก็อยู่เฉยๆได้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้อง มีร่างกายโดยที่ไม่ต้องไปทำกิจกรรมอย่างที่พวกเราทำกันทำไมเขารักษาศีแปดได้ทำไมเรารักษาศีแปดไม่ได้เพราะเราหยุดความอยากไม่ได้หยุดความอยากที่จะนอนกับแฟนไม่ได้หยุดความอยากที่จะกินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ได้หยุดความอยากที่จะไปดูหนังฟังเพลงร้องลําทำเพลงไปเที่ยวตามศูนย์การค้าไป ไปทำอะไรต่างๆไปแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความงามต่างๆเราหยุดความอยากเหล่านี้ไม่ได้เราเลยต้องไปทำกิจกรรมเหล่านี้แต่คนที่เขาหยุดความอยากเหล่านี้ได้เขาก็ไม่ต้องทำเขาอยู่เฉยๆเขาก็ไม่ไม่เดือดร้อนเขาก็มีความสุขแต่เราหยุดไม่ได้เวลาหยุดอยู่เฉยๆจะเป็นบ้าให้ได้เหงาตาย ว้าเวสร้างส้อยหงอยเหงาเครียดหงุดหงิดนำคาญใจแต่พอได้ไปเที่ยวได้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มเฮฮาลื่นเิงขึ้นมาเลยยิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีแต่ต้องทำอยู่เรื่อยๆเพราะทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอทำแล้วได้มาปั๊บมันก็หายไปหมดไป ต้องทำอยู่เรื่อยๆพอมาเจอตอนแก่ทำไม่ได้ก็เลยกลัวความแก่กันเห็นคนแก่แล้วเขาไปไหนไม่ไหนไม่ได้ก็ไม่อยากจะแก่แต่อยากไม่อยากก็ต้องแก่เวลาเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นคนตายก็ไม่อยากจะตายแต่ก็ห้ามไม่ได้ห้ามความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายไม่ได้เวลานั้นก็เลยทรมานมาก ทุกทรมานมากเพราะไม่สามารถทำตามความอยากได้ขนาดไม่แก่ไม่มีเงินไปเที่ยวข้างนอกก็ทรมานเหมือนกับคนแกแล่ละคนไม่มีเงินกับคนแก่นี่ก็เหมือนกันไปไหนไม่ได้ไม่มีเงินไปซื้อไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรไม่ได้ก็เหมือนแก่จะกลัวความยากจนกัน นอกจากกลัวความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็จ้กลัวความยากจนกลัวความไม่มีเงินกันเพราะเวลาไม่มีเงินนี่ไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้หาได้ก็ยากแล้ก็น้อยเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย โชคดีชาตินี้เราได้มาเจอคนที่รู้จักวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือหาความสุขทางใจโดยตรงใจก็สามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องดูไม่ต้องฟังเพียงแต่ทาให้ใจมันนิ่งเท่านั้นเองให้มันหยุดคิดถ้าหยุดคิดได้ความอยากมันก็หยุดไป พอความอยากหยุดไปความรู้สึกไม่ดีต่างๆก็จะหายไปหมดใจก็จะว่างเย็นสบายมีความสุขขึ้นมาเนี่ยพอเรารู้พอเรารู้จากวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องฝืนใจเราไม่ให้ไปหาความสุขทางร่างกายโดยการสอนใจว่าถ้าไปหาความสุขทางร่างกาย ก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวต้องกลับมาเกิดเป็นเด็กทารกใหม่มาเริ่มต้นใหม่ไปโรงเรียนใหม่อสนุกไหมเวลาไปเรียนหนังสือกันไปโรงเรียนกันเร้ก็มาหาจบแล้วก็ต้องไปหางานใหม่ทำกันหางานใหม่หาเงินกันแล้วก็ไปหาซื้อหาข้าวหาของอะไรต่างๆกันแล้วเดี๋ยวไม่นานก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายอีกแล ทุกครั้งที่อยากจะใช้ร่างกายหาความสุขให้คิดอย่างนี้มันก็จะไม่หาดีกว่าไม่ใช้ร่างกายดีกว่าไปนั่งสมาธิดีกว่าถ้าอยากจะมีความสุขก็ไปนั่งสมาธิพุทโธพุทโธดีกว่าดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปกินไปดื่มไปเล่นไปทำอะไรผ่านทางร่างกายถ้าเรารู้ว่าการทาตาม ความอยากผ่านทางร่างกายจะทําให้เราต้องกลับมาทุกข์กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็จะไม่ทําตามความอยากเพราะเราไม่ต้องการจะเจอความทุกข์กันต่อไปความอยากมันก็จะหายไปถ้าเราไม่ทําตามมันที่มันไม่หายเพราะเราทําตามมันพอมันอยากใช้ร่างกายเราก็หนึ่งร่างกายไปเลยอยากดูก็พาไปดู อยากฟังก็พาไปฟังมันก็เลยยังใช้ร่างกายอยู่ยังใช้ความอยากอยู่ความอยากมันก็เลยไม่หมดไปแต่ถ้ามันอยากแล้วเราไม่ใช้มันไม่ทําตามมันเดี๋ยวความอยากนั้นหมดไปดูคนที่เขาเลิกสูบบุหรี่ได้เลิกดื่มสุราได้เขาเลิอกอยังไงเขาก็เลิกเพราะว่าเขาไม่ทําตามความอยากเราอยากจะสูบบุหรี่เขาก็ต้องไม่สูบ พอไม่สุกไปสักพักหนึ่งเดียวเขาก็ความอยากสุบุรีก็หมดไปความอยากดื่มสุราก็เหมือนกันถ้ายังดื่มอยู่มันก็ต้องดื่มไปจนันตายความอยากมันจะไม่หมดแต่ถ้ามันอยากแล้วไม่ไม่ดื่มมันไปสักพักเดียวเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็เลิกดื่มได้เพราะความอยากมันไม่มีแล้วเยความอยากใช้รนะ่างกายหาความสุขก็เหมือนกัน ทุกครั้งที่อยากจะใช้ร่างกายหาความสุขเราก็ไม่ใช้มันไม่ทำตามมันไปนั่งสมาธิแทนเปิมันไปต่อไปก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขกันอยู่ในป่าคนเดียวก็มีความสุขได้อยู่ในวัดคนเดียวก็มีความสุขได้อยู่โดยที่ไม่มีอะไรก็มีความสุขได้ น, นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อน มีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่รู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์เกิดแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะต้นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดมันไม่ตายไปกับร่างกายมันอยู่กับใจใจไม่ตายมันก็เลยดึงใจที่ไม่ตายไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม ถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องการจะมาทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากให้ได้การจะหยุดความอยากให้ได้ก็ต้องไปหาต้องมีความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายมาแทนต้องสร้างความสุขแบบไม่มีไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิการถือศีล น, นั่งสมาธิการเจริญปัญญานี่แหละเป็นวิธีสร้างความสุขแบบใหม่ แบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ศีลสมาธิปัญญาแทนศีลก็ศีลแปดขึ้นไปสมาธิก็ทำจิตรวมให้เป็นหนึ่งแล้วก็จะมีความสุขพอมีความสุขจากสมาธิก็สามารถใช้ปัญญาเดือนใจสอนใจห้ามใจไม่ให้ไปใช้ร่างกายเป็นวิธีหาความสุขเลิกใช้เหมือน คนที่มีสมาธิแล้วถ้ายังไม่มีปัญญาก็ยังอยากเวลาออกจากสมาธิมานี้ก็ยังอยากจะใช้ร่างกายหาความสุขอย่ัยงอยากจะดื่มกาแฟบ้างอยากจะกินขนมบ้างอยากจะดูนั่นดูนี่มาตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาหา้ามมาเตือนสอนใจว่าอย่าทำทำาแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกข์ใหม่พอมีปัญญาสอนใจแล้วมีสมาธิมีความสุขในใจก็ฝืนความอยากได้ ตอนนี้พวกเราฝืนความอยากไม่ได้เพราะเราไม่มีความสุขในใจพอเกิดความอยากนี่มันมีแต่ความทุกข์ุ่มแล้วตลอดเวลาความทุกข์มันจะไม่หายไปถ้าเราไม่ได้ไปทำตามความอยากพอเราไปทำตามความอยากปั๊บมันหายไปเดียเด๋ยววอยากซื้อยากดื่มกาแฟนี่ถ้าไม่ได้ดื่มเมันงดเก็ียดลำคาญใจพอได้ดื่มปับ๊บหายเลยความงดเกียดลำคาญใจต่างๆ แต่มันหายจะหายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่นียเราต้องรู้ด้วยปัญญาว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขเป็นวิธีหาความทุกข์เพราะเราจะต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วถ้าเวลาเราอยากแล้วเราหาไม่ได้มันก็ทุกข์อีกเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่จะหาความสุขทางร่างกายไม่ได้มันจะทุกข์มาก แต่ตอนถ้าเร land, มามีสมาธิมีศีลสมาธิมีปัญญา wipes. เราก็ฝืนความอยากได้เรากลับไปทำใจให้สงบเวลามันไม่สงบแล้วก็ทำให้มันสงบเวลาเกิดความอยากใจมันจะไม่สงบแทนที่จะหยุดความอยากด้วยการไปทำตามความอยากเราหยุดความอยากด้วยการทำใจให้สงบไม่ฝืนความอยากไม่ไม่ทาตามความอยากพอไม่ทำตามความอยากใจสงบบความอยากก็หายไป แล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่กลับมาแล้วก็จะไม่มีอะไรมาลึงให้เราไปเกิดใหม่ไปทุกข์ใหม่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้ทรงค้นพบความจริงสี่ประการประการที่หนึ่งคือความทุกข์คืออะไรความทุกข์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตาย ข้อที่สองต้นเหตุของความทุกต้นเหตุของการมาเกิดคืออะไรก็คือความอยากอยากมีอยากดูอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะอยากมีอยากเป็นอยากสวยอยากงามอยากร่ำอยากรวยนี่เขาเรียกอยากมีอยากเป็นแล้วก็อยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้ามีความอยากเหล่านี้มันจะดึงให้ใจไปเกิดใหม่ และวิธีที่จะหยุดความอยากหยุดการไม่เกิดคืออะไรก็คือการหาความสุขรูปแบบใหม่หาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายวิธีที่หาความสุขแบบใหม่ไม่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายพระพุทธเจ้าก็ได้สองคนพบก็คือหาด้วยศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลเรารักษาศีลแปดได้ เราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิได้ถ้าเรามีสติเราก็จะทำใจให้สงบได้ถ้าเราทำใจให้สงบเราก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขทางร่างกายแล้วถ้าเรามีปัญญาเราก็จะหยุดความอยากได้เวลาเกิดความอยากที่จะไปหาความสุขทางร่างกายเราก็าปัญญานี้มาสอนใจว่า เป็นการไปหาความทุกข์เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาถ้ามันรู้ว่าถ้าไปฮุบเหยื่อแล้วนี่มันจะต้องถูกกระขอเบ็ดเกี่ยวปลาเนี่ยถ้าปลามันฉลาดทุกตัวเนี่ยคนไปตกปลานี่ตกปลาไม่ได้หรอกใช่ไหมที่ไปตกปลาได้ก็ปลามันโง่มันเห็นเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดมันก็คิดว่ามีเป็นแต่เหยื่ออย่างเดียวมันก็เลยฮุบเข้าไป พอพบก็เลยโดนตะขอแบกเกี่ยวปากเอาพวกคนโง่ก็เหมือนกันพวกคนโง่เห็นว่าเวลาได้ทําตามความอยากแล้วมีความสุขกันเวลาได้ใช้ร่างกายทําอะไรตามความอยากแล้วมีความสุขกันแต่ไม่เห็นว่ามันจะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะมันจะต้องมีร่างกายหาความสุขไปเรื่อยๆพอร่างกายอันนี้มันไม่มีมันตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ก็ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาคนโง่จะไม่เห็นคนฉลาดจะเห็นคนจะฉลาดได้ก็ต้องมีคนสอนมีพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยว่าการทําตามความอยากการใช้ร่างกายทำตามความอยากนี้เป็นการพาให้เราไปเกิดนะพาให้เราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายนะพาให้เราไปพบกับความทุกข์นะ เพรสิ่งที่เราได้บางทีมันมันก็ต้องจากเราไปได้แฟนมาก็ดีใจกันนะี้นะพอแฟนจากไปนี่ดีใจหรือเสียใจร้องหย่ร้องไห้กันหนระือเปล่าได้เงินมาก็ดีใจพอเงินหมดก็เสียใจเราเข้าไปหาเราไปหาความทุกข์กันหาความหาเบ็ดตะขอเบ็ดกันโดยมีเกลียวหุ้มเบ็ดอยู่นิดหน่อยทําให้เรามองไม่เห็น ไม่เห็นตะขอเบ็ดเท่านั้นเองเราไปหาความสุขตามความอย่างนี้เราเห็นแต่ความสุขแต่เรามองไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาเพราะสิ่งที่เราได้มามันจะต้องเสื่อมหมดไปบางอย่างหมดแล้วอย่างรวดเร็วเนี่ยไปดูหนังปั๊บมันก็หมดละดูหนังเรื่องหนึ่งปั๊บความสุขที่ได้นะั้นมันก็หมดไปละเพราะหนังมันจบละถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องต้องดูอีกเรื่องเลย บางอย่างมันก็ช้าหน่อยเช่นแฟนนี่อาจจะช้าหน่อยด้แฟนมาอาจจะอยู่กันไปจนถึงแก่ตายถึงจะจากกันพอพอจากกันตอนนั้นก็ร้องห่มร้องไห้กันนะมันต้องมีวันจากกันช้าหรือเร็วท่านนี่ความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกางนี่มันเร็วดูหนังฟังเพลงนี่มันดูปับ๊บฟังปับ๊บจบปับ๊บมันก็หมดไปละไปกินไปเดินปั๊บมันก็หมดไปและ แต่ยังบางอย่างมันยังนานเงินนี้อาจจะนานหน่อยอาจจะหมดเนี่ยถ้ารู้จักใช้รู้จักหายอยู่เรื่อยๆมันก็ยังไม่หมดแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้มีแต่ใช้อย่างเดียวเดี๋ยวมันก็หมดได้ทุกอย่างมันจะต้องหมดจะต้องมีการพัดภาคจากกันเวลาเกิดการพัดภาคจากกันก็ไม่ใช่เป็นเวลาของความสุขแล้วเป็นเวลาของความทุกข์กัน พวกเราถ้าไปทาตามความอยากจะต้องไปเจอความทุกข์เสมอช้าหรือเร็วเท่านั้นเองมากหรือน้อยแต่ต้องเจอแน่ๆถ้ามาเกิดก็ต้องมาเจอความทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายนี่คือปัญญาที่พูเจ้าสอนให้เราสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อเวลาที่เราอยากจะใช้ร่างกายหาความสุขเราจะได้บอกอี้เลิกใช้ได้แล้วใช้แล้วเดี๋ยวก็ต้อง กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่พอมีปัญญาแล้วก็จะเลิกความอยากต่างๆได้เพราะว่ามีสมาธิมีความสุขใจมีความสุขแบบใหม่มาทดแทนไม่ต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขผ่านทางใจเลยเช่นไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบแทนที่จะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปนั่งสมาธิกันแทน นั่งสมาธิใจสงบปั๊บก็เกิดความสุขขึ้นมาดีกว่าความสุขที่ได้จากการดูหนังฟังเพลงอีกเพราะนั่งได้ตลอดเวลามีเงินไม่มีเงินก็นั่งได้แต่ถ้าไม่มีเงินก็ไปดูหนังไม่ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันและโชคดีที่ได้มารู้กันในชาตินี้คือได้มาพบกับคนที่รู้คือพระพุทธเจ้า รู้ว่าอะไรเป็นสุขหรือว่าอะไรเป็นทุกข์รู้วิธีที่จะดับความทุกข์รู้วิธีที่จะสร้างความสุขพระพุทธเจ้าได้สร้างความสุขแล้วได้ดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจหมดไปแล้วในใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีวันหมดเพราะใจไม่มีวันดับ แล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปพวกเราถ้าไม่ทำแบบพระพุทธเจ้าเราก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บการตายถ้ายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ก็ต้องมีร่างกายไปเรื่อยๆร่างกายอันนี้หมดไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่แต่ถ้าเราหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้หาความสุขจากศีลสมาธิปัญญาได้ เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขอีกต่อไปพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่นี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันว่าเราได้มาพบกับสิ่งที่หายากมากคือคาสอนของพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้านี้นานๆานจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง มาปรากฏให้โลกอย่างพวกเรานี้ได้รับรู้กันคนที่รับรู้แล้วเอาไปปฏิบัติตามได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทําได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันไม่ต้องมาทุกข์กันต่อไปที่เราเรียกว่าพระอรหันตสาวกเลยสาวกแปลว่าผู้ฟังผู้ศึกษาฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วเอาไปปฏิบัติพอเลิ ก, เลกใช้ร่างกายได้ เลิกหยุดความอยากต่างๆได้ก็เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาคาว่าพระอาหารหันต์ก็คือผู้ที่ได้หยุดความอยากทั้งสามนี้แล้วไม่มีความอยากอยู่ในใจแล้วร้าใคายหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ก็เป็นพระอาหารหันต์ได้จะหยุดได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือตอนนี้พวกเราไม่มีศีลสมาธิปัญญากันศีลห้ายังไม่มีเลยมียังไม่ครบเลย น่าภาษาอะไรศีลแปดศีลห้านี้ไม่พอต้องศีลแปดแต่ก็ต้องเริ่มจากศีลห้าไปก่อ น, กปก อ, นอนรักษาศีลห้าไปก่อนพอรักษาศีลห้าได้แล้วก็ไปหรักษาศีลแปดต่อเหมือนเรียนหนังสือตอนตอน้องเรียนชั้นปถมไปก่อนพอจบป .6 แล้วทีนี้ก็ไปเรียนม .1 ต่อได้รักษาศีลห้าก็เหมือนเรียนชั้นปถม ปีแรกก็เรียนข้อที่หนึ่งปีที่สองก็เรียนข้อที่สองปีข้อที่สามเรียนไปจนครบห้าข้อรักษาได้ห้าข้อพอรักษาได้ห้าข้อก็ขึ้นไปชั้นมัธยมได้ไปรักษาข้อที่หกข้อที่เจ็ดข้อที่แปดต่อไปอพอได้สี่แล้วก็ที่นี้ก็จบมหกแล้วไปเรียนมหาลัยได้นะไปกนั่งสมาธิได้แนละ้วไปใช้ปัญญาได้แนละ้วไปเรียนปัญญาได้แนละ้ว พอได้สมาธิได้ปัญญาก็จะหยุดความอยากได้ <S <S ก็หยุดการเกิดได้หยุดความทุกข์ได <S <S ้นานๆจะได้เจอคําสอนอย่างนี้สักครั้งหนึ่งชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่คําสอนนี้อาจจะหมดไปแล้วก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะกลับมาเกิดอีกเมื่อไหร่ อ, อาจจะพันปีอีกหมื่นปีาศาสนานี้อยู่ได้แค่ห้าพันปีตอนนี้ผ่านไปแล้ว2องพันห้าร้กว่าปี รือไม่ถึง 2,500 ปีก็หมดแล้วถ้าหลังจาก 2,500 ปีมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่มีใครสอนเราแล้วไม่มีใครรู้อริยาศาสตร์กันนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมไม่รู้ว่ามาเรียนกันทาไมเนี่ยพวกคนที่ไม่เข้าวัดเขาไม่รู้ว่าพวกเข้าวัดนี่มาเข้ามามาหาอะไรกันใช่มมาวัดทําไมไม่รู้หรอกคิดว่าเป็นทนงมงายคิดเชื่อเรื่อง ผีสางเทวดานี่ไม่ใช่คําสอนที่แท้จริงคําสอนที่แท้จริงของ พ, อพ่พอพุทธเจ้าคือเนี่ยคือการรู้ว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์และการเกิดของเราเกิดจากความอยากถ้าจะอยากจะหยุดทุกข์อยากจะหยุดการเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญา ทำไมเราจรึงต้องมารักษาศีลกันทำไมเราต้องมานั่งสมาธิกันทำไมเราต้องมาสอนใจให้พิจารณาว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยมมันไม่ใช่ของเราไม่ควบคุมบังคับันไ่ได้ได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดหมดแล้วก็ต้องหาใหม่เวลาหาก็ทุกข์เวลาได้มาก็ทุกข์เพราะต้องคอยคอยดูแลรักษาเวลาจากไปก็ทุกข์ เราก็ต้องกลับมาเกิดมาหาใหม่อีกเวลาร่างกายนี้ตายไปนี่คือปัญญาให้คิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะได้เลิกใช้ร่างกายเป็นวิธีหาความสุขเราก็จะมาหาความสุขจากการทาใจให้สงบนั่งสมาธิกันหยุดความอยากกันด้วยปัญญาแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ถ้าชานี้ทําไม่ได้โอกาสหน้าไม่รู้อีกจะกี่แสนล้านปีนะจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาสอนอีกครั้งหนึ่งเราจะเป็นจังหวะเดียวกับการที่เราถ้จะได้มาเกิดพบกับคําสอนหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ได้ยังตอนนี้เราพบแล้วพบของวิเศษที่สุดในโลกที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าเราปล่อยให้โอกาสอันงามนี้ผ่านหลุดมือไปก็ถือว่างโง่เต็มที่ช่วยไม่ได้ ต้องพยายามรลียบขวนขวายปฏิบัติตามคำสอนให้ได้แล้วเราจะได้สิ่งที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้กับเราได้คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปะริปุเรนติสาคขังเอวเมวอิโตทินางเปตานังอุปกปติอิชิตังปัติตังกลุ่มหังคิดเปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสักปาจันโทปนาอะรโสยะถามณีโชติ พระโสยทาสสปิตโยวิวาชชะตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะอภิวัตนาสีริสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวาทานติ อายุวันสุขังภาลังยังไงยังยังอยากจะมีวันเกิดรลเปล่ายังมาเกิดนะแล้วเกิดก็ต้องมีวันเกิดต้องมาทำบุญวันเกิดอยู่เรื่อยๆเรวก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย ถ้าไม่มีวันเกิดก็ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายชอบลืม่ลยพวกเราเหมือนพวกปลาที่เห็นเหยื่อเห็นเหยื่อคิดวันวันวันเกิดได้วันเกิดแล้วดีไม่เห็นเบ็ดที่ติดมากับเหยื่อไม่เห็นวันแก่วันเจ็บวันตายเป็นหมุอนเบ็ดไม่วันแก่วันเจ็บวันตายเม่แล้วเกิดเลี้ยงฉลองกันใหญ่ดีอกดีใจ เราก็มาร้องผมร้องไห้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายกันเป็นไม่ฉลาดมองไม่เห็นเห็นเห็นเห็นหนึ่งในสี่อีกสามส่วนไม่เห็นเห็นวันเกิดแต่ไม่เห็นวันแก่วันเจ็บวันตาย ทางวัดไม่ได้จัดอะไรเพราะว่าเป็นทางของทางราชการเขาจัดที่วัดชัยมงคลที่พัทยาใต้เป็นจุดที่เมืองพัทยาก็ไปวางดอกไม้จันทร์กันทางวัดเราไม่ไดไม่ได้ไม่ได้เป็นส่วนของราชการก็เลย ไ, ไม่ได้จัดทางราชการเขามีมติให้ไปจัดที่วัดชัยมงคลพัทยาใต้ด้วยกันที่เ ด, ยเดียวสำหรับเมืองพัทยา คือว่าคือว่าทางวัดใหญ่จะได้จัดโดยอะไรล่จะพาไปจุดไหนไม่ได้จัดนะเทาที่ได้เทาที่ทราบนะไม่ได้ยินว่ามีการจัดอะไรอแต่เราไม่ต้องไปไวท้ที่ไปไปวางไว้ที่ไหนก็ได้วางไว้ที่หน้าพระพระรูปในหลวงก็ได้ที่บ้านเราก็ได้เหมือนกันแหละไปกราบกราบหน้าพระพยอมสายะสาธิตสลักนี่ก็ ที่ไหนก็ได้ไม่มีรูปก็กราบได้กราบเสาก็ได้แล้วเลึกถึงท่านก็แล้วกันมันสำคัญอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่รูปอยู่ที่สถานที่อยู่ที่เรามีความนํานึกถึงพระคุณอันวิเศษของท่านให้เราทำเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็ทำได้ไีเรียนมาแล้วเด็กๆก็ทำก็เลยได้ถ้าจะไปวางก็ต้องไปที่วัดชัยมงคล แต่ถ้าจะทำทางใจก็อยู่ที่ไหนก็ทำได้ไม่ต้องมีดอกไม้ก็ทำได้การบูชามีสองลักษณะบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนกับบูชาด้วยการประพฤติดีประประพฤติประพฤติตนเป็นคนดีเป็นคนเป็นพลเมืองดีไม่ทำผิดกฎหมายไม่หนีภาษีนี่ก็ถือว่าได้บูชาในหลวงแล้วถ้าเอาดอกไม้จัน ไ, ไว้แต่หนีภาษีก็ซุ่ม ช่วยยัดทําดีกว่าอืมอืมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาอาไม่ภาษีกันั้นกันชอบอชอบเอาไปสบูชา <laughs> ดอกไม้จนันมปนไม่กี่ตงนะังค์ภาษีภาษีนี่พยายามหาวิธีเลี่ยงมนะัน <laughs> เลี่ยงได้หลบได้หลบเรื่องกันมัาต้องคิดาภาษีเปนเ็นเงินที่เราเอามาสร้างประเทศเนย ประเทศก็เป็นเหมือนบ้านเราต้องมีรั้วมียามมีอรปอปพอมีอะไรต่างๆเราก็ต้องยอมเสียสละเป็นเหมือนกับเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอรปอปพค่าสร้างรั้วสร้างกาแพงก็ต้องเสียภาษีไงั้นก็ไม่มีเงินที่จะมาสร้างรั้วสร้างกาแพงรักษาบ้านเราไว้ดังนถ้าอย่าไปเสียดายเงนินภาษีคิดว่าเป็นเงินทาบุญ ทำบุญให้กับประเทศคนไม่ได้คิดเช่นกันใช่ถ้าการสมมุตินะครับสมมติประเทศอื่นนะครับถ้าเสียภาษีไปแล้วเนี่ยแล้วรู้อยู่แต่ใจว่าภาษีมันเขาก็ต้องมีคนเอาไปไม่ได้ใช้ประเทศนเนี้ยทําไงครับอาจาก็ถือว่าเหมือนกับน้ําประปามันก็ต้องมีรอยรั่วบ้างอะ่ะก็อคอยอุดมันเลยท่อประปาเราส่งน้ําไปเราก็รู้ว่ามันต้องมีแตกบ้างมีรั่วบ้างถ้าเราไม่ทําเลยไม่มีน้ําใช้เลยถ้าเราไม่จ่ายภาษีเลย มันก็จะไม่มีเงินมาดูแลประเทศชาติมันก็เป็นธรร ม, มดาอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีอะไรบกคร่องธรรมดาจ่ายภาษีมันก็อาจจะั่วไหลได้เหมือนกันเราก็ต้องพยายามหาคนดีๆมาคอยดูแลเรื่องเงินทองของประเทศชาติเพื่อจะได้ทำให้การล่วงไหลมันน้อยลงไปแต่พวกเราก็เป็นคนโง่เวลาเลือกก็ไม่เลือกคนดีไปมาดูแลก็ไปเลือกไคนไม่ดีมาดูแล ไปเลือกไปหาเอาก็เลยค่ะเอาเอาหมาป่ามาดูดูแลเล้าไก่อย่างเงี้ยเดี๋ยวไก่มันก็หมดเลยเอาหมาป่ามาดูแลเนี่ยใช่ไหมไม่ไม่หาหมาดีๆหมาเอลเซเชียนหมาอะไรอย่างงี้ยมันไม่กัดไม่กินไก่ใช่ไหมไปเอาหมาป่ามามันก็หมดเราเลยเวลาเลือกคนมาเป็นผู้ปกครองเราก็ไปเอาคนไม่ดีมา คนที่จะมากินบ้านกินเมืองเนี่ยใช่ไหมมาทําไงได้ลนะ่ะก็ถือว่าเป็นเป็นกรรมของประเทศไปกรรมของมนุษย์นะที่ไหนก็เหมือนกันนะมีคอร์รัปชันมากคอร์รัปชันน้อยทั้งนั้นแหะมันมีทุกประเทศนะประเทศมาหรัหน้าเขาก็มีงั้นก็แต่ถ้าเราไม่เสียภาษีกันเราก็อยู่กันไม่ได้เราจะเอาเงินมาจ่ายทหารได้ไงเอาเงินที่ไหนมาจ่ายตำรวจ จ่ายสร้างถนนหนนทางอะไรเี้ยตอนนี้ก็ทยอยทยอยยึดมาได้คืนมาได้บ้างก็หลายคนก็รับกรรมไปเออไรก็ลองใช้ไปจ่ายไปเถิดถือว่าเป็นการทำบุญให้กับประเทศชาติก็แล้วกันทำบุญให้กับตัวเราเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติแล้วเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันสบายใจ ถ้าอยากจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยากจะบูชาในหลวงก็เสียภาษีไปเป็นเป็นพลเมืองดีเขาลบกฎหมายไม่ไีกเลี่ยงภาษีแต่ถ้าเขาให้เลี่ยงได้โดยวิธีที่ถูกกฎหมายก็เลี่ยงได้จด่นก็ให้มีข้อยกเว้นให้หักนู่นหักนี่ได้อยากจะหักก็หักไปอันนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปแจ้งความเท็จเนี่ย หาเงินได้แสนบอกหาได้หมื่นหนึ่งก็ดะจ่ายภาษีน้อยๆหน่อ ย, อยเอาใจนะงั้นจะบูชาบุาคคณของนหลวงนี้เอาปฏิบัติบูชา ด, ดีกว่าอย่างที่ในหลวงคอยสอนอยู่ทุกปีทุกปีว่าให้เรารู้รักสามัคคีกันให้รักกันให้สามัคคีกันให้เป็นพลเมืองดีบ้านเมืองจะได้ร่มเย็ยนเป็นสุข เดี๋ยวไปเอาดอกไม้ทุกเทียนไปวางไว้แล้วก็ไปกินเหล้าเมายาไปทําอะไรซะให้บ้านเมืองวุ่นวายอันนี้ไม่ดีนะเราก็เลยเมื่อเคยคิดจะไปไหนเดี๋ยวเราก็กราบบูชาท่านได้ที่ศาลาที่ในวัดก็มีรูปของท่านอยู่เนี่ยในศาลาหอฉันตอนเช้าก็เอาไปวางไว้ที่ศาลาหอฉันก็ได้ นต่ยมันจะต้องมีให้เขาจัดสถานที่เราไปวางเลยเราหาที่ของเราเองก็ได้มันต่างกันตรงไหนที่เขาจัดกับที่เราจัดนะใช่ไหมอ่ามันก็เหมือนกันมันก็มีภาพในหลวงเหมือนกันที่เขาจัดก็มีภาพในหลวงเราก็จัดที่บ้านเราก็ได้หาโต๊ะหมู่หาอะไรมาตั้งสักตัวนึง่งว่าภาพในหลวงวางไว้เอาผ้านางไว้หน้าภาพในหลวงแล้วก็ไปวางไว้กาบท่านสามครั้งก็จบแล้วใช่ไหม แล้วแล้วหลังจากที่วังแล้วดอกไม้จันทร์เราจะทําเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้เอาไปเผาก็ได้แต่ทั้งนี่ยเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้ก็เราเป็นคนทําเองไม่เห็นจะเสียหายนั้นจะไปทําอะไรอ่ะก็เก็บไว้ก็ได้อถ้าไม่อยากจะเก็บไว้ก็เอาไปเผาก็ได้อันนี้ก็เผาในหลวงแล้วก็จุดไฟเผาที่บ้านเราไปก็ได้เวลาเดียวกันมันเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเนี่ย มันไม่มันเป็นมันไม่มีตัวสาระสำคัญอะไรเป็นเพลงตัวแสดงออกถึงจิตใจของเราที่เรามีต่อคนตายว่าเรามีความรักความเคารพเขาหไหมว่าคนที่เราเกลียดเราคงไม่มาทำดอกไม้มาเผาเขาหรอกเห็นไหม ต, ตักบาทดีกว่าไหมครับอาจารย์ตักบาท ได้ทอทำบุญตักบาททำความดีต่างๆตามที่ท่านสอนเนี่ยถ้าชีวิตของท่านท่านอยู่ด้วยการทำความดีท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินของเหมือนของประเทศอื่นหรือเปล่าท่านมีเมียน้อยมีอะไรหรือเปล่าท่านไปเที่ยวที่ไหนกันหรือเปล่าท่านก็มีแต่ทำงานอย่างเดียวคอยห่วงคนยากคนจนคนที่ต้องการความช่วยเหลือ การอุตสาห์ไปสู่ถิณเทวรกันดารต่างๆเพื่อจะได้เห็นความเป็นจริงของคนชาวบ้านเขาอยู่กินกันอย่างไรเขาขาดหรืออะไรใช่หไหมกว่าจะทํางานเสร็จคุยชาวบ้านบางทีมืดถามเขาว่าขาดหรืออะไรขาดน้ําขาดอะไรก็จัดหาแหล่งน้ําให้จัดหาอะไรให้โครงการพระราชดำรินี้เป็นมีเป็นโคงเป็นพันโครงการ ถ้าไม่มีท่านโครงการเหล่า น, นี้ก็ไม่เกิดนะชาบ้านก็จะไม่ได้รับ ก, การดูแลนะก็ดูท่านเป็นตัวอย่างท่านทํำนี้ทําเป็นตัวอย่างให้พวกเราให้เรารู้จักการเสียสละแบ่งปันกันบ้างอย่าคิดจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเพราะความสุขไม่ได้เกิดจากการได้หรอกมันเกิดจากการให้มากกว่า ความสุขได้ก็ได้ไ ด, ได้เพียงแั่ทางร่างกายคือได้ได้ปัจจัยสี่ถ้ามากกว่า น, นั้นมันไม่ได้อะไรหรอกถ้ามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วก็เอาส่วนที่เรามีเหลือนี้เอาไปให้คนอื่นีไปแเราจะได้ความสุขมากกว่าเก็บมันไว้หรือเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆถ้าเราเสียสละแบ่งปันความสุขของเราให้แก่คนอื่นแล้วเราจะได้รับความสุขกลับมาหลายเท่า ให้ไปเท่าเดียวแต่จะได้กลับมาเป็นสิบเท่าสิบเท่าร้อยเท่าความรู้สึกทางจิตใจมันจะมีความสุขมากเวลาที่เราได้เสียสละสิ่งที่เรารักเราหวงไปเช่นก้าวของเงินทองอเพื่อให้คนอื่นเขาได้มีความสุขบ้างอันนี้คือปฏิ บ, บัติบูชาอมิสบูชาก็ทำดอกไม้จันทร์แล้วก็ไป วางไว้ที่ที่เขาจัดให้วางหรือเราจัดเองก็ได้ไม่มีใครเขาห้ามนี่ยจะให้วางตรงไหนก็ได้ใช่ไหยต่างกันตรงไหนที่เขาจัดกับที่เราจัดเนี่ยที่เขาจัดเพราะว่าเขาก็าอยากจะให้คนออกมาสแสดงความเคารพให้คนได้เห็นกันแต่เราไม่ต้องสแสดงให้คนเห็นก็ได้เราทำที่บ้านเราก็ได้อยาก้กครเห็นก็ถ่ายรูปเดี๋ยนี้ก็ส่งไปทาง a c e b o o k ได้ ท่านก็ไปเหมือนกันนะท่านก็ไปวางดอกไม้ถ่ายแล้วส่งไปจะได้ไม่ไปเบียดเสียกันโอาว่าพรุนี้บ้านคนคนต่อนี้เข้าออกไม่ได้ไม่ใช่ถนนถนนเ <นะ S 2> ป็ปนหมดตั้งแต่ป็นตั้งแต่คืนนี้น้รู้สึกไหมสองยางก็ปิดนะใครจะไปก็มีลวดรับส่งตามจุดต่างๆเลยมีครับยางปิดมหมดเลยก็ตั้งแต่ เกือบปากตามก็จะใต้เงั้นเลยครับต้องนั่งรถอย่างเดียวครับในรถบริการใช่ครับคงมีพวกอาสาสมัครเยอะครับคนก็จะเยอะเมืชามีญาติโยมมาทาบุญแบบพวกนี้เขาจะเอาไอติมไปแจกกันสั่งไว้ไม่รู้กี่กี่ถังก็ไม่รูหสั่งไอติมสั่งน้ำขวดบริการคนที่จะไปงาน ก็คือเราชอบทำอะไรกันเป็นงานกันสนุกกันทำแบบเงียบๆทาให้เป็นทาแบบปิดทองหลังพระปิดทำไม่เป็นชอบปิดทองหน้าพระกันในหลวงนี่ฉันชอบปิดทองหลังพระพวกเราก็ปิดทองหลังพระทำที่บ้านเราก็ได้เราทำด้วยการจ่ายภาษีให้มันเต็มให้มันครบแล้วเราก็ทำาสาธานะกุศลต่างๆ ม, มีเงินมีทองที่เราพอจะแบ่งปันได้ก็เอาไปให้กับคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนค่เพราะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนก็เกิดมาร่ำรวยมีครบบริบูรณ์บางคนก็เกิดมาอดอยากขาดแคลนคะคนที่มีก็ต้องดูแลคนที่ไม่มีเพราะต้องคิดถึงโหหขาวโหกเราว่าทุกคนก็ต้องการมีความสุขเหมือนกันแล้วไม่มีใครรู้ว่าจะจะมาเกิดแบบมีหรือไม่มีกัน เพาะบุญกรรมที่เราทํากันมามันก็มีมากมายก่ายกองไม่รู้ว่าเวลาไหนจะมารับผลบุญหรือผลบาปกันคนที่รับผลบาปก็จะได้ครับความชื่วยเหลือจากคนที่ได้รับผลบุญต่อไปเกิดคนที่ได้รับผลบาปไปได้รับผลบุญก็จะได้มาช่วยคนที่ได้รับผลผลบุญแต่ไปรับผลบาปต่อไปต้องพัดก็หัดช่วยเหลือกันไปแล้วจะทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นเป็นสุขรักกัน แต่ถ้าเราต่างคนต่างเอาตาเอาตัวรอดเนี่ยเราจะอยู่กันแบบเปรียดกันใช่ไหมไม่มีไม่มีน้ำใจต่อกันในหลวงท่านก็ไม่ต้องไปอยู่ที่ธุรกันดารก็ได้ท่านก็อยู่ในวังของท่านไปอยากจะไปเที่ยวเมืองนอกเมื่อไหร่ก็ไปยังไม่สบายกว่าเลยแต่ท่านเป็นคนใจบุญนะเป็นคนที่เคยทำบุญมามากมันติดเป็นนิสัยมามันก็เลยต้องทาไปเรื่อย แต่บุญนี่หละที่จะทำให้ท่านไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาทุกข์มากับการเกิดการแก่การเจ็บการตายต่อไปฉะนั้นอ้พวกเราเชื่อบุญเชื่อความดีแล้วตอบแทนบุญคุณบูชาพวกคุณของผู้มีพระคุณด้วยการปฏิบัติบูบชามิสบูชาแล้วก็ทำไปพอสมเหตุสมผลมีดอกไม้อะไรเราก็ไปวางไว้ที่ไหนก็ได้ แล้วเราก็มาทำตัวของเราให้เป็นคนดีกันขาลดกฎหมายมีศีลมีธรรมมีมีความเมตตามีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันเพื่อนสัตว์ด้วยสัตว์เดรลฉานก็มีเมตตาต่อเขาแล้วเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขมียากมีมากมีน้อยไม่สำคัญมีน้อยก็มีความสุขได้มีความสุขจากการได้รับความเมตตาจากผู้ผู้ที่มีมาก ผู้ที่มีมากก็มีความสุขจากการให้ความเมตตากับต่อผู้ที่มีน้อยแต่ถ้าไม่มีความเมตตาอยู่กันไม่มีความสุขละคนมีมากก็ไม่มีความสุขมีมากก็กลัวคนที่มีน้อยกลัวเขาจะมาป้นมาจี้มาฆ่าคนมีน้อยก็อยู่ด้วยความอิจฉาริษยาโกรธเกลียดคนมีมากมันก็จะอยู่กันแบบแตกแยกอยู่กันแบบไม่ไว้ใจกันอยู่กันแบบเป็นเหมือนศัตรูกัน เพราะขาดความเมตตาความเมตตานี้จะเชื่อมความมนุษย์ราษฎ์ทั้งหลายให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความนุ่มเยนเป็นสุขขอให้เราเอาปฏิบัติบูชาเป็นหลักมีใครอยากจะถามอะไรต้องขอเปียนถามเ่อนว่าเคยได้อ่านบางข้อความนะคะเขาพูดถึงการที่เราอุิ Uh huh. อันนั้น็่งที่กระทำได้อยู่แบบแต่ถ้าพูดถึงการที่อุทิศบุญให้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นการบรงควรนะอุทิศได้ทั้งนั้นแหะเพียงแต่ว่ามันมันมันมันมันมันจะได้หรือไม่ได้เท่าน mm ั้นเองเหมือนกับขอทานเอาเงินไปให้เศรษฐีเนี่ยเอาไปให้เขาทํำไมวันนี้ขอทานมาได้วันนี้วันนี้ขอทานมาได้ร้อยหนึ่งก็เอาเงินไปให้เศรษฐีเศรษฐีก็เห็นก็บอกว่าไม่ต้องมาให้เราหรอก เกไว้กินเองเถใช้เองเถิดพวก<ๆ>ที่เขาทาบุญนี้เขาตายไปเขาไปเป็นเศรษฐีกันเขาไม่มารับรับส่วนบุญหรอกที่ผมเของใจมากเพราะว่าพระสมมาสัพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีบุญอย่างมากมายอยู่แล้วใช่คือเราไม่เข้าใจความหมายของการอทุทเราไม่เข้าใจว่าการอุทิศบุญนี้อุทิศเพื่อใคร<ๆ>แล้วอุทิศมันแหลกไปหมดเลยการจะอุทิศให้กับคนจนคนขอทาน คนขอทานทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าเปรตเนี่พวกที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่ทำบุญกันทำแต่บาปเนี่ยเวลาตายไปก็ไปเป็นเปรตพวกนี้แหละไม่มีบุญจะต้องมาขอบุญพวกนี้เป็นพวกเดียวที่รับบุญได้พวกพวกที่เป็นเศรษฐีบุญเขาก็ไปสวรรค์เขาก็ไปเที่ยวท่องเที่ยวเหมือนกับคนที่มีเงินก็ไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันับ พวกที่ไม่มีเงินก็เป็นขอทานแถวสนามบินนะั่นแหละงั้นเราไม่ศึกษาเรื่องการอุทิศบุญว่าศึกาการอุทิศบุญนี้อุทิศให้ใครเราก็เลยอุทิศมันให้ทุกคนเนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอะไรหลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเราก็เลยเผื่อไว้แต่ถ้าเรารู้ว่าเขาจะไปเป็นเทวดาก็ไม่ต้องไปอุทิศหรอกเขาไม่มันไม่มีน้ำหนักอะไรกับเขาเหรอกว่อนะอืง ขอทานเอาเงินไปให้คนที่จะไปเที่ยวเมืงนอกเนี่ยเขาจะเอาไปเอาเงินขอทานไปเที่ยวเมืงนอกว่าก็คือคล่องใจกับความคิดนั้นแหละแต่เขาก็อ้างว่าเป็นการแสดงความมีการอยู่ก็อ้างได้ทั้งนั้นแหะคือไอ้วิธีให้แสดงไม่แสดงไอ้จ่ายภาษีเนี่ยเราไม่จ่ายให้ให้ให้เสียสละให้ไปทําประโยชน์ให้กับสังคมเราไม่ไปทําำเลยไปทําให้สิ่งที่ง่ายๆอุทิศบุญง่ายจะตายไปใช่ไหม วันไหก็ต้องทําบุญอยู่แล้วไอ้วุฒิบุญนี่ก็เป็นของแถมทน่นเองเข้าใจไหมไม่ต้องไปอุฒิศให้ผ้าอาหารไม่ต้องอุทิให้พระพุทธเจ้าไม่ต้องไปอุฒิศให้กับพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรมหรอกท่านมีบุญเยะกับพวกเราอเอท่านบุญทําบุญกระทิ่นนี่ท่านก็ทํามากกับาเราแล้วเนี่ยวันอารามอยู่ทั้งหมดนี่ท่านเป็นคนทำนั่นแนหะเป็นของท่านน อาิพระราชธานเนี่ยเป็นของในหลวงท่านทำบุญมาไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ท่านท่านเกิดมามเนี่ยทำบุญมาตลอดเงินบุญที่เราทำที่จะไปอุทิศให้ท่า น, นมันมันเหมือนกับเงินที่ขอทานได้มาจากการขอทา น, นแต่ถ้าท่านรู้ท่านก็จะท่านก็จะอนุโมทนาว่าเออ ม, มีน้ำจิตน้ำใจ ท่านก็ดีใจให้ความสุขท่านก็มีความสุขใจที่ยังมีคนคิดถึงยังมีคนนักท่านอยู่อันนั้นก็ <c oughs> ก็เป็นไปได้แต่บุญจริงๆนั้นท่านมีเยอะกว่าเราที่ให้ทำบุญนี้ไม่ใช่ทำเพื่อท่านทำเพื่อเราเนะี่ยเดี๋ยวต า, ตายไปมันจะได้ไม่ไปเป็นเปรตกันก็นนะอย่างว่แต่เราไม่มีเหตุเรามักจะไม่ยอมทำกันเนะี่ยต้องมีเหตุถึงจะทำ แต่มีคนตา ย, ยถึงจะทําบุญกันถ้าถ้าวันนี้ไม่มีคนตายวันนี้ก็ไม่ได้ทําบุญกันหรอกใช่ไหอไปดูคนที่เขาเป็นงานศพเนี่ยเจ้าของงานศพเนี่ยธรรมดาเขาจะทําบุญไหมวันถ้าไม่มีไม่มีศพเขาไม่ทําหรอกเขาก็จะทําแต่เฉพาะวันสําคัญสำคัญของเขาเนชะวันเกิดวันวันครบรอบวันปีใหม่วันอะไร มันจะน้อยควรจะทำทุกวันมันจะได้เยอะทำบ่อยๆทำให้มันติดเป็นนิสัยไปมีอะไรัหมไม่มีเอาทางบ้านมัน้โอเคครับคำถามจากทาง Facebook นะครับจากคุณวันนะครับทุกข์กับความอยากถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะ ก็ดูตัวเองถามตัวเองดูเลยเวลาอยากเที่ยวไม่ได้เที่ยวมันทุกไหมถ้าหยุดความอยากเที่ยวได้มันจะทุกไหมถ้าวันนี้ไม่อยากไปไหนมันจะทุกไหมไม่ไม่ทุกถ้าวันไหนไม่อยากไปออกนอกบ้านอยู่บ้านมีความสุขเหลือเกินแต่พอวันไ้นอยากออกนอกบ้านนี่อยู่อยู่อยู่ไม่ติดบ้านนะเพราะมันทุกไฟลนก้นอะไรนั่งตรงไหนก็ไม่สุขนั่งตรงไหนก็ทุก จาคุณคำนะครับทำไมจิตถึงแยกเป็นสองดวงบ้างสามดวงบ้างสุดท้ายเหลือแค่ดวงเดียวไม่รู้ใครบอกนะเราไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามคนบอกอจิตมันมีดวงเดียวไม่แยกหรอกจากคุณพีโกนะครับขอวิธีพิจารณากลิ่นและเสียงกลิ่นกับเสียงเพื่อให้เกิดปัญญาด้วยครับอ่เวลากลิ่นเหม็นกับกลิ่นหอมเป็นยังไงใจเรารู้สึกยงไงกับมัน ถ้าใจเรายังรักยังชังอยู่ก็แสดงว่ายังทุกข์อยู่พอเจอกินเหม็นก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีพอเจอกินหอมก็สุขแต่พอกินหอมหายไปก็ทุกข์ขึ้นมาต้องหากินหอมมาดมอยู่เรื่อยๆบางคนยังต้องซื้อน้ำหอมอยู่เรื่อยๆหรือมามาอาบน้ำเสร็จก็มาฉลมใส่ติดร่างกายร่างกายจะได้ดมกลิ่นหอมไปเรื่อยๆพอกินหมดก็ต้องมาฉลมใหม่เรื่อยๆ ถ้ายังติดอยู่เวลาไม่มีกลิ่นหอมดมก็ทุกข์ถ้าเกลียดกลิ่นเหม็นเวลาเจอกลิ่นเหม็นก็จะทุกข์แต่ถ้าหัดทำใจเฉยๆให้ได้จะไม่ทุกข์กับกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นหอมก็รู้ว่าหอมเหม็นก็รู้ว่าเหม็นตัวที่มันดมไม่ใช่คนไม่ใช่ใจหรอกตัวที่ดมกลิ่นก็คือใครร่างกายร่างกายมันไม่สนใจหรอกกินอะไรที่มันดม มันไม่รู้ม no ันดมกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นอมันดมได้ทั้งนั้นอ่ะแต่ตัวที่ไม่ยอมดมไม่ยอมรับรู้ว่าคือใจเนี่ยไม่ยอมรับรู้กลิ่นเหม็นพอเจอกลิ่นเหม็นก็อยากจะให้มันหายหายเหม็นพอไม่หายก็ทุกข์พอเจอกลิ่นหอมก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆพอมันไม่อยู่ไปนานๆก็ทุกข์แต่ถ้าดูเฉยๆรู้เฉยๆจะไม่ทุกข์รู้ว่ามนมาเดี๋ยวมันก็ไป กลินเม้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปกลิ่นหอมมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปคำถามจากทาง y o ยูทูบนะครั บ, บคุณไอซ์เบอร์รี่นะครับหนึ่งถ้าอินทรีย์บารมีเรายังอ่อนอยู่ถ้าเรามีความเพียรไม่ท้อถอยจะส่งผลให้อินทรีย์บารมีเพิ่มขึ้นไหมคะนายถามใหม่มดิถ้าอินทรีย์บารมีเรายังอ่อนอยู่ถ้าเรามีความเพียรไม่ท้อถอยจะส่งผลให้อินทรีย์บารมีเพิ่มขึ้นไหมคะ ก็อยู่ที่เราเพียนอะไรเพียนสติเราก็จะได้สติเพียนปัญญาเราก็ได้ปัญญาเพียนสมาธิเราก็ได้สมาธิมันก็ต้องเพียนแต่ละอย่างเหมือนปลูกต้นไม้เรามีต้นไม้สามต้นมีต้นกล้วยต้นมะละกอต้นสับปะรดอยู่ที่เราลดน้ําต้นไหนบ้างถ้าลดต้นเดียวมันก็มันก็จะโตต้นเดียวอีกสองต้นมันก็ไม่โตถ้าอยากจะให้มันโตทั้งสามต้นก็ต้องลดน้ําทั้งสามต้น อยากจะให้บา ร, รมีต่างๆมันเต็มก็ต้องเพียรสร้างบา ร, รมีต่างๆให้มันเต็มสร้างเมตตาบา ร, รมีสร้างทานบา ร, รมีสร้างเนตตธรมะบา ร, รมีสร้างอุเบกขาบา ร, รมีสร้างปัญญาบา ร, รมีเนี่ยมันต้องสร้างไม่ใช่สร้างตัวเดียวแล้วมันจะตัวอื่นมันจะโตขึ้นมาด้วยมันไม่มันต้องสร้างทุกตัวข้อที่สองกิเลสในจิตพยายามชักชวน ให้ไปทำอย่างอื่นในขณะที่นั่งสมาธิอยู่ควรสอนจิตอย่างไรเพื่อมเพื่อให้ไม่ออกจากสมาธิตอนนี้บอกตัวเองว่าเป็นกิเลสอย่าไปสนใจ อ, อ๋อไม่ไม่อย่าไปสอนเลยให้อยู่กับพุทโธคำเดียวพอสอนไปเนี่ยมันก็เถียงกลับไปกลับมาอยู่นั่นะมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ยังเวลานั่งสมาธิไม่ต้องไม่ใช่เป็นเวลาสอนเป็นเวลาสมาธิเป็นเวลาพุทโธอย่างเดียว ใช้ความคิดพูทโดยเองเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะคิดอะไรแล้วก็พูดโทพุทธโธเราไปไม่ต้องไปฟังมันไม่ต้องไปสนใจกับมันเดี๋ยวไปคุยกับมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่เป็นเรื่องเป็นเล่ายาวไปแต่ถ้าเราอยู่กับพูดโทพุทธโธเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วใจเราก็จะสงบถ้าจะมาสอนใก็สอนตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิเช่นตอนเนี้ยสอนมันอย่าไปทําตามความอยากนะความอยากพาให้เราไปสู่ความทุกข์สอนได้ แต่เวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาสอนเวลานั่งสมาธิเป็นเวลาหยุดสอนเหมือนกับเวลาเรียนหนังสือในห้องเรียนเรียนไปให้เต็มที่เวลาทําการบ้านทําให้เต็มที่แต่เวลานอนเอย่าไปกังวลกับเรื่องการเรียนการทําการบ้านเวลาเรียนเวลานอนเราต้องการพักผ่อนใช่ไ่มเวลานอนเราเอาหนังสือไปกับเราเปล่าเวลาจะเอาไปทําการบ้านตอนเรานอนเปล่าถ้าทำการบ้านตอนเวลานอนมันก็ไม่ได้นอนนสิ จิตมันก็เหมือนกับร่างกายมันต้องมีเวลาพักผ่อนมันถึงจะมีกำลังเวลานั่งสมาธิเนี่ยเป็นเวลาพักผ่อนของใจตอนนั้นไม่ให้มันคิดไม่ให้มันทำงานความคิดนี้เป็นการทำงานของใจของจิตให้มันหยุดคิดโดยการใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธได้ไม่นานห้านาทีมันก็หยุดคิดแล้วจิตก็สงบนิ่งพุโทโธก็หยุดได้คุณอุนะครับ การละสักยะทิฏฐิต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็้องละร่างกายนี่ไงปล่อยให้ร่างกายมันแก่ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันเวลามันตายก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันแต่ดูแลได้ก็ดูแลไปไม่ห้ามเวลาเวลามันจะแก่ถ้าเปลี่ยนทรงผมตัดผมให้มันสั้นแล้วดูสาวขึ้นก็ตัดไปทาไปอันไหนทาได้ก็ทาไป แต่อย่าไปทำแบบผิดธรรมชาติให้ไปผ่านุ่นตัดนุ่นไปยืนอันนั้ น, ม, นมันผิดธรรมชาติถ้าดูแลแบบธรรมชาติได้ก็ดูแลไปถ้าดูแลไม่ได้ก็ปล่อยมันแก่ไปดูแลงานก็มันก็ต้องแก่อยู่ดีใช่ไหมก็อย่าไปฝืนธรรมชาติดีกว่าเวลามันจะเจ็บมันก็ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปารักษาไม่ได้มันไม่หายก็อยู่กับมันไป ถ้าไม่ไปอยากให้มันหายมันจะไม่เจ็บมันจะไม่ทุกข์นะพระโสดาบันนี่ไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายหรือร่างกายของคนอื่นก็ไม่ทุกข์ลูกจะแก่จะเจ็บจะตายลูกจะเป็นอะไรสามีาจะเป็นอะไรภรรยาจะเป็นอะไรพ่อแม่เป็นอะไรใครจะเป็นอะไรไม่ทุกข์เพราะเข้าใจธรรมชาติของร่างกายของทุกคนว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคน แลาไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นของดินน้ําลมไฟเดี๋ยวก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟคนที่มาครอบครองร่างกายก็ไปต่อไปเกิดใหม่ไปสวรรค์ไปนรกต่อไปตามบุญตามบาป ท, ที่ทําไว้พระโสดาบันจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามจุค น, นัทวัตรนะครับเวลา เลิกเดินจงกรมแล้วเกิดอาการเวียนหัวต้องแก้ไขอย่างไรครับเกิดจากอะไรมาถามเราทำไมเราไม่ได้เป็นหมอร่างกายของคุณคุณถามมันเ็จมันเป็นอะไรเราไม่เป็นเนี่ยวะเราเดินจงกรมเสร็จเราไม่เห็นเวียนหัวเลยคุณสุวรรณนะครับปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์มีความหมายอย่างไรครับอ่าก็ปฏิบททัติธรรมก็เพื่อที่จะหยุดความดับความทุกข์ ก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ทุกข์มันดับเหตุที่ทำให้ทุกข์มันดับก็คือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาดับได้อย่างไรเพราะศีลสมาธิปัญญาจะไปหยุดต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากถ้ามีความอยากถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็หยุดมันไม่ได้ถ้าหยุดความอยากไม่ได้ความทุกข์ก็จะเกิดอยู่เรื่อย แต่ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเวลาเกิดความอยากเราใช้ศีลสมาธิปัญญาเราก็จะหยุดมันได้ความทุกข์ก็จะดับไปจากคุณนิกกิจนะครับเมื่อวานพระอาจารย์เทศว่าพระอรหันทรั่านไม่ฝันท่านหยุดความคิดได้เฮ้ยเราไม่เคยพูดเัาพูดหรือเปล่าเราไม่ฝันพูใครไปหามาที่พระอรหันต์ไม่ฝันอ๋อเลยครับไม่พูดใช่ไหมข้ามไปเลยครับฟังแล้วไม่เข้าจะอาจจะเข้าใจผิดมั้ง เกิดเราฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันร้ายก็เป็นนรกเป็นอบายแต่เราไม่เคยพูดว่าพานั้นไม่ฝันไปล้วไปเอาที่ไหนมาเปิดยืนยันให้น้องไหนพระานารยก็ฝันได้ทำไมจะฝันไม่ได้พระอาจนั้นก็ยังมีขันมีร่างกายอยู่เหมือนกันเป็นแต่ท่านไม่ฝันร้ายเท่านั้นเองคำถามจากคุณนภัทรชัยนันนะครับ ตนเองพยายามรักษาศีลห้าทำบุญละบาปและใจให้บริสุทธิ์ก่อนมีครอบครัวได้แต่งงานกับสามีที่ไม่ได้รักษาศีล5และตนก็ไม่ได้คิดจะมีอิทธิพลมากกับชีวิตแต่ตอนหลังพบว่าการเลือกคบคนพานหรือบัณฑิตมีอิทธิพลกับการรักษาใจและพัฒนาจิตตนเองจึงมีการกระทบกระทั่งทะเลาะเบาแวงบ่อยๆแต่จะเลือกคบหรืออยาขาดเพราะ ไม่อยากใกล้ชิดคนพางก็สงสารลูกๆและอีกอย่างฝ่ายเขาก็ไม่อยากณนะตอนนี้ลูกมีความตั้งมั่นมีชีวิตคารวาที่มีแนวทางสัมมาทิฏฐิขออนุญาตชี้แนะลูกด้วยเจ้ า, าค่ะก็อยู่กันไปก็พยายามอย่าเอาเรื่องที่ไม่เห็นตรงกันม า, มาพูดกันก็แล้วกันงงวนส่วนต่างภาษาส่วนเหมือนส่วนไหนที่ทาร่วมกันได้ก็ทาไป ส่วนไหนที่ทำร่วมกันไม่ได้ก็แยกกันไปแยกกันทำเขาจะไปกินเหล้าแล้วก็ขอไปนั่งสมาธิก็แล้วกันไม่ต้องมาทำร่วมกันอย่างไหนทําร่วมกันได้อยากจะร่วมหลับนอนร่วมกันก็ไปนอนด้วยด้วยกันได้ก็ไปนอนกันอย่างไหนทาร่วมกันไม่ได้ก็อย่าไปบังคับให้มาทำกันคนเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ขากินก๋วยเตี๋ยวเราอยากกินข้าวผัดเราก็ไปกินข้าวผัดอย่างนี้ก็อยู่กันได้ หลาถ้าจะมาบังคับกันว่าให้ทําเหมือนกันกินเหมือนกันดูเหมือนกันนีเดี๋ยวมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าอยากอยู่ร่วมกันได้ต้องเคารพในสิทธิของแต่ละคนเขาเขามีสิทธิ์เขาชอบอย่างนี้ก็ปล่อยก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้ไปเราชอบอย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้ไม่ต้องไปก้าวไก่กันก็จะอยู่ร่วมกันได้ส่วนใหญ่มักจะก้าวไก่กันใช่ไอยากให้เขาทําเหมือนเราอย่างพอเขาไม่ทํามันเราก็เสียใจโมโหโกรธเข้า มันก็อยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีความสุขแต่ถ้า ท, ทั้งสองฝ่ายมา ม, มามาม า, ม า, ม, ามาพูดมาวางกฎกติ ก, กาเกี่ว่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรแล้วรักษากฎกติกานั้นได้ก็อยู่กันอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันเขาชอบกินเหล้าก็ให้เขาไปกินเหล้าเขาอยากจะไปเล่นการพ น, านันก็้เขาไปเราชอบไปวัดเราก็เราก็ไปวัดของเราอย่างนี้มันก็อยู่ด้วยกันได้ โยมโยมจะเอาไปปฏิบัติจะได้ตวโยมจะได้ไม่ห้ามไห้ามคุณพอเลยใช่ไหมแล้วมันเหนือยมล่ะเหนใช่ไหมทุกไปเปล่าเานี่เขาก็ทุกเราก็ทุกไม่ทุกเราทุกเาเหมือนเาเหมือนโยมก็ทุกไงโยมการเป็นว่าเราห้ามเ้วอย่าไปห้ามก็เลยปล่อยเขาไปโยมจะกลับปฏิบัติจะไม่ห้ามแล้ว มีนองตายเห็นธรรมแล้วนะนี่แหละเห็นธรรมนะไมเห็นเราความทุกข์เกิดจากความอยากของเราไปห้ามเขาอยากข้ามเขายิ่งยิ่งอยาก้ามยิ่งทุกข์ใหญ่ที่ที่้ามไม่ใช่เพราะว่าก็หสุขภาพไงจะคะนั้นแหละก็อยากให้สุขภาพก็ดีก็ อ, อยากให้อยู่แบบอยู่ไปนนานๆใช่ ดื่มได้แต่ดื่มไม่น้อยได้ไหมอนั่นแหละก็เลยทําให้เราทุกข์นี่อยากไปอยากเลยเรอยากจะดื่มมากน้อยก็อยากจะตายง่ายก็ตายเลยเราต้องหทําใจเตรียมตัวรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงอาทิตย์ก็โยมก็ใช้ทำอย่างที่พระอาจารย์บอกเพื่ อ, อใครกํำมันก็โอเค ท, นนทีนื่ทุกข์มากมากเหน่อยมาก็โอเคกินก็กินอาทิตยี้ใครชีวิตน้องเพ็นเคชาลาเสลาลองเป็นไหมเคสาลาเสลา ก็ลองเพลง e s a l a Sera. Whatever will be, will be. รู้จักรู้ใช่ใครองได้ใช่นิดหน่อยยใครองให้ฟัง้ Whatever. Will. Be, will, be. <laughs> Whatever will <be. laughs> อะไรจะเกิดก็เกิดอย่างเขว่าอย่างนี้นอลองเพลงนี้เราจะสบายใจลองไปฟังเพลงนี้ดูเนี่ยสอนทำให้เราียก <c oughs> ลองลองไปแปลความหมายดู <c oughs> ลูกอยากจะถามว่าเขาโตขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอะไรแม่ก็ไม่รู้แม่ก็บอกว่าแล้วแต่อะไรมันจะเกิดก็เกิดน <c oughs> หน้าที่ของเราเราอย่าไปกังวลกับมันกังวลกับมันก็ทุกข์ไปเปล่าๆเนี่ยฮะเพลงนี้เขอสอน อนาคตให้กับลูกๆ ล, ลูกอยากจะรู้ว่าถ้าเขาโตขึ้นไปแล้วชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรแม่ก็บอกว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างั้นแหะมันจะเกิดอะไรจะเกิดมันก็เกิดเราทำได้อย่างมากก็ทำให้มันดีที่สุดทำในส่วนที่เราทำได้ส่วนที่เราทำไม่ได้ก็อย่าไปทำส่วนของสามีเราไปทำก็ไม่ได้ปล่อยว่าทำไปเราทำส่วนของเราเราต้องคิดถึงวันที่ไม่มีสามีบ้างดิ เราจะอยู่ยังไงแล้วหัดมาซ้อมอยู่แบบไม่มีสามีดูบ้างจะได้ไม่เดือดร้อนกับเวลาที่เขาไม่อยู่ตอนนี้เรากลัวเมื่อเขาไม่อยู่แล้วเราจะอยู่ไม่ได้เราจะเดือดร้อนเราก็ต้องมาหัดอยู่แบบไม่มีเขาบ้งางเมื่อก่อนเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ไม่ใช่หนะอะไม่คิดอย่างนี้สิแล้วเราจะได้สบายใจนะ เหลืออี้านาทีนี่ไม่กลับถามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันคุณผู้หญิงนี่ช่องนี้ฝนตกเยอะมากแล้วก็ตกทีไรน้ำก็ท่วมทุกที่นั่นแหละเคสลาเซลาเนี่ยนี่ไงก็เนี่ยเคสลาเซลาเนี่ยทำได้ก็ทำป้องกันได้ก็ป้องกันป้องกันไม่ได้ก็ปล่อยมันท่วทมไป ทำไงได้ของมันเหนือความสามารถที่เราจะไปหยุดมันได้ใช่ไหมเราก็วิธีแก้ก็คือเอาของที่เรากลัวจะเปียกก็หาไปเก็บไว้ในที่สูงซะให้มันอยู่ในที่ปลอดภัยช่วงนี้มันท่วมก็ให้มันท่วมไปหาเรือมาหาอะไรมาใช้แทนชั่วคราวไปก่อนเดี๋ยวน้ามันก็ลดนะ อนาคตไม่มีใครรู้ถึงแม้จะรู้บางทีก็ทำอะไรไม่ได้เราก็รู้กันว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่เราสามารถที่จะมีวิธีพบอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์วิธีไม่ทุกข์ก็คือยอมมันยอมรับมันยอมว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่ได้เป็นร่างกายให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์น ะ, น ะ, ะมีหมเอาอีกข้อไหม ได้ครับระาอาจารย์คุณอาร์ติชัยนะครับเวลานั่งสมาธิไปสัก พ, พักร่างกายจะยึดแน่นเหมือนความรู้สึกเราอยู่ด้านในถูกขังต้องทําอย่างไรต่อครับอย่าไปสนใจมนความรู้สึกของกิเลสกิเลสมันไม่ชอบถูกจับขังมันก็เลยสร้างความรู้สึกมันเราอยู่ในกรงเพราะเราไม่สามารถทำอะไรได้ตอนที่เรานั่งสมาธิแต่กิเลสมันอยากจะทํานู่นทนํานี่อยากจะออกไปเดินออกไปวิ่งออกไปดูไปฟังอะไรมันกร็รู้สึกว่าเหมือนถูกฝังในคุกขังในคุก ก็อย่าไปสนใจเราพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพอใจสงบกิเลสมันหยุดปั๊บความรู้สึกนี้จะหายไปเราแทนที่จะรู้สึกว่าอยู่ในคุกกำเหมือนกับอยู่ในอวกาศอยู่ที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่ที่โลง่งอยู่ที่สบายมีความสุขเนีย่ยโลกภายในใจเรานี่กว้างใหญ่ไพศาลยาิ่งกว่าบ้านของเราต่อ เ, เข้าไปในสมาธิแล้วเหมือนไปอยู่ในอวกาศเลยไปท่องในอวกาศอยู่ในโลกทิป มีความสุขมีความสบายใจเพราฉะนั้นปัญยาเวลานั่งมันจะมีอาการต่างๆมาคอยกีดขวางเขาเรียกว่านิวรนอย่าไปสนใจนิวรนคือการมฉันทะอยากดูอยากฟังพอไม่ได้ดูได้ฟังก็เลยคิดว่าเหมือนถูกติดคุกติดตารางอย่าไปสนใจแล้วก็พุดโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้าพุดโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนแล้วมันจะเลิมความรู้สึกต่างๆมันก็จะหายไป